ไปจะกลับก่อนถามก่อนเขาเขาแก๊ครับใจมาส่งหนูตาเลยค่ะใกล้ก็ใกล้เคียงความจริงกันไปเยอะมากคือเวลาหลงก็รู้ตัวอยู่หลลงเอาเอาตังขานเป็นตัวเรา หลงว่าตัวเราเป็นสังขารก็เห็นว่ารู้ตัวอยู่แต่ก็ในส่วนหลงก็มีอยู่หลงก็คือเวลาเราไปทํางานแล้วก็หลงมีอารมณ์เป็นจริงๆกับลูกน้องกับกิจการงานที่เราทําเราก็อันนั้นก็หลงจริงๆหลงจริงก็ตกเขาจริงแต่ตกเขาแล้วก็เห็นว่ามันก็มีความรู้สึกตัวอยู่สามารถสามารถรู้สึกตัวเป็นแล้วเข้าใจเป็นว่าเอหลงไปแล้วหลงว่ามีอารมณ์หลงไปคิดปรงแต่ง ก็ทูกอย่างนี้นะจนกระทั่งไอ้ความลงไปมีลงไปกับความคิดลงไปกับอารมณ์มันค่อยๆหมดไป <c oughs> แล้วก็กลับมาสู่ความกลับมาเป็นผู้รู้ไม่เป็นเป็นผู้คิดไม่เป็นเป็นผู้มีอารมณ์ <c oughs> จะต้องมีอะไรที่เข้าใจจนถึงที่สุดอีกไม่ที่ยังเข้าใจไม่ถึงที่สุดความที่เข้าใจยังไม่ถึงที่สุดก็คือ ไม่เห็นว่าขนาดจิต ท, ที่หลงเอาตัวเราไปไปไปดิ้นหล่นไปค้นหาเนี่ยอันนี้ยังไม่เห็นคือจะเอาตัวเราไปดิ้นหลนค้นหาคนทางผลทุกข์ดิ้นรลนค้นหาความรู้ความเห็นความเข้าใจดิ้นหลนค้นหาถูกหาผิดหาเหตุหาผลหาวิธีการไอ้ตัวเนี้ยยังไม่เห็น หลงจริงๆอันนี้หลงจริงๆแต่ถ้าหลังหลงไม่มีความคิดหลงไม่มีอารมณ์อย่างอื่นนะเห็นอยู่เห็นอยู่แล้วบางครั้งก็หลงไม่มีความคิดหลงไม่มีอารมณ์จริงแล้วก็ตกเขาจริงๆตกเขาจริงๆเลยแล้วเราก็พอมีสติรู้สึกตัวมาเราก็สามารถที่จะกลับขึ้นมาเกือบถึงยอดเขาได้เอตที่เกือบถึงยอดเขาคือ ความคิดอารมณ์ละเอียดละเอียดะไรต่างๆ ก, ก็เริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นสังขารปรุงแตง่งเราก็จะไม่หลงเอาตัวเราไปไปมีอารมณ์มีความคิดปรุงแต่งเสเองเอาไปปรุงแต่งเสีเองหลงเอาตัวเราไปปรุงแต่งเสเองหลงหรือลงเอาจิตที่ปรุงแต่งได้เกิดดับได้มาเป็นตัวเราอันนี้ถ้าเป็นหยาบๆกก็ๆๆรู้เห็นหมดเรื่องรโรกที่มันปรุงแต่งไวในโลกก็รู้เห็นหมดแล้ว แต่สิ่งที่เข้าใจไม่ถึงที่สุดก็คือเวลาปรุงแต่งในทางธรรมเนี่ยอันนี้ก็ปรุงแต่งเวลาไม่หลงโลกไม่หลงโลกไม่หลงไม่มีอารมณ์มีความคิดทั้งโลกโลกไม่หลงไม่มีอารมณ์กับลูกน้องจริงๆมีอารมณ์ก็ต้องรู้สึกตัวอยู่แต่แม้แต่ขนาดนั้นไม่มีอารมณ์เนี่ยมันก็ยังมีความคิดความ ดิ้นรนค้นหาละเอียดละเอียดละเอียดยิบยิบภายในใจหาอุณทางพรุนิพานอาอุนทางพันทุกข์หาอุนทางทำยังไงถึงจะไม่ให้หลงไปกับความคิดอารมณ์มันจะไอ้การดิ้นรนแสวงหาคนคนกวาเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาเลยไอ้ตัวนี้เมื่อมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อนะเมื่อไม่หลงไปกับความคิดอารมณ์ก็จะมีตัวนี้อยู่เป็นตัวพื้นเลยที่มองไม่เห็นยังไม่ยังไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้ก็ตัวหลงเอาสังขารมาเป็นตัวเราหลงเอาตัวเราเป็นสังขารแม้แต่สังขารในธรรม สังขารเพื่อรู้นิพพานหากไม่รู้ตัวหลงเอาตัวเราไปสังขารก็จะกลายเป็นหลงเอาสังขารในธรรมเนี่ยมาเป็นตัวเรากลายเป็นตัวเราเนี่ยเป็นสังขารเกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้ตัวเนี้ยตัวจ่ยังไม่เห็นยังไม่ถึงใจเอาจริงเท็จ์ยังไงอ๋อบอกเสียงทีหลวงตาคือสังขารเนี่ยที่หลวงตาบอกเนี่ยคือสังขารในธรรมเนี่ยคืออย่างเมื่อกี้เอาง่ายๆเลยค่ะหนูมาทีหลังนะหนูก็ฟั่งนั่ง ฟังดวงตาให้พรแล้วใจมันก็สอนตัวเองว่าเออไม่ปรุงแต่งอีกใจหนึ่งมันก็คาลิกเอ้ยธรรมะเราต้องฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบก็เลยมันติดอยู่ในใจว่าเออสังขารเนี่ยเราต้องปล่อยทั้งทางโลกและทางธรรมใช่คะคือเราก็จะห่วงเอ้ยทางธรรมอย่า เออคิดก่อนเนาะ อ, อะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่ต้องปล่อยอะไรอย่างเงี้ยมั น, ม, นมันเหมือนมันยังผูกแบบเอ๊ต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยห่างจากคือไอการที่เราเนี่ยเห็นว่าสังขารทางธรรมเนี่ยเขาเป็นสังขารปรุงแต่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราเลยปล่อยวางเขาได้เนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณาแล้วไม่ได้ว่าปล่อยปะละเลย<ะ>อันนี้เราพิจารณาเลยว่าการสังขารในธรรมอยู่อย่างเนี้ย อย่างที่จะสังขารสงสัยเอ๊ะเราต้องสังขารในธรรมอยู่ไหยอะไรการที่เราพิาจารณาว่าต้องสังขารหรือไม่สังขารยังไงเดี๋ยวเราก็จะอ้าวไอ้ที่เราพิจารณาว่าสังขารหรือไม่สังขารนี่ก็ยังปรุงแต่งอยู่เราเห็นเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นสังขารคือเป็นสิ่งปรุงแตง่งเกิดดับไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตวนของเราเราจึงยอมปล่อยวางไปอย่างเงี้เรียกว่าเราพิจารณาแล้วไม่ใช่ไหมพิจารณาแต่สําหรับคนที่ปล่อยป่าดละเลยคือบอกปล่อยวางหมดเลยแล้วไม่รับรู้อะไรเลย แต่ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่เป็นคนชาวโลกทั่วไปปล่อยปล่อยปะละเลยสติปัญญาไปเลยอันนี้เราที่เราเห็นว่าเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งแม้แต่สังขารในธรรมสังขารในโลกก็เป็นสังขารปรุงแต่งมันยึดถือไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีรลงไห้ไปตัวตนของมันจริงๆไม่มีไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเราเห็นมันเป็นสังขารได้ใจของเรามันก็เลยป่อวางไปอันนี้เรียกว่าพิจารณาแล้วนะไม่ได้ ป, ปล่อยปะละเลย พวกที่อกปล่อยวางปล่อยวางแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนะี่ยปล่อยปะละเลยไม่ใช่ปล่อยวางเข้าใช่เจ้าค่ะแน่ยก็ยังเห็นว่าจาายังสับสนตรงนี้ไงมันก็เลยเลยบอกคกอยังอื่นเราก็ไอ้เรื่องความคิดปรุงแต่งในอารมณ์โลกโลกเราก็เห็นแล้วละ่ะเข้าใจแล้วเข้าใ จ, แ, ใจแต่พอมาถึงตรงสังขารให้ทํางงเออเราต้องเอาไว้หรือเปล่าเราจะต้องนั่งสังขารอยู่อย่างนี้หรือเปล่าต้องคิดต้องคํานึงต้อง คนกว่าอย่างนี้มันก็กลายเป็นเป็นคิดหมดเลยะมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นรู้ที่เมื่อวานนี้ที่จะนุ่นที่ว่าเป็นคนใบ้ามาหรืว่าต้องรู้มาจากใจรู้มาจากใจถ้าเราไปรู้ด้วยความคิดมัเหมือนใช้สมองอย่างเดียวอ่ะมันใช้สมองเราไปใช้ส่วนที่ตายส่วนที่ตายคือมันเกิดดับแล้วมันเกิดแล้วมันต้องตายไปเองเราไม่ต้องทําอะไรมันก็ต้องตายอันนี้เราไปใช้ส่วนที่ตายแต่ถ้าใช้ความรู้ที่ออกมาจากใจมันเป็นรู้รู้ว่าเนี่ยเป็นสังขารเราไม่เข้าไปยึดถือ ไอเ น, นี่ยมันมันใช้ออกมาจากใจไอตัวเนี้ยไม่เกิดไม่ดับไม่ตายไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายอันนี้เป็นนามะตะเราใช้ส่วนที่เป็นนามะตะแต่นี้เราไม่ใช้ส่วนที่ตายมันจะเป็นทุกข์มันจะเป็นการเกิดตายอยู่ด้านไหนไ yea. อ้ก็ตอนนี้ก็เมื่อถึงขั้นละเอียดแหละแต่ทุกคนเมื่อจะถึงขั้นละเอียดยังไงถ้าเผลอสติก็หลงได้เหมือนกันหลงกลับไปปุงในทในโลกได้เหมือนกันสติจิบบิโตสำคัญอยู่ตลอดตายจักว่รตะโรนี่ผ่านไป สำคัญที่สุดคือถ้ามาถึงขั้นนี้เราต้องต่อเนื่องนะพินาเห็นสังขารสังขารสังขารสังขารอย่งนั้นแหละและป่อยวางตลอดเวลาต้องต่อเนื่องจริงๆไงแต่ก็ถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่ช้าไม่ช้าเพราะว่ามันเห็นสังขารเห็นสังขารหยาบมาแล้วเหลือแต่สังขารละเอียดสะเอียดแต่เมื่อไหรแม้แต่เห็นสังขารละเอียดแล้วถ้าเกิดขาดสติก็จะจะหลงไปปรุงในในโลกได้เหมือนกันต้องต้องอยู่ความต่อเนื่องในการ ในการสังเกตเห็นเวลาหลับ อ, อยู่คนเดียวไม่มีลูกกวนตัวผัวกวนใจอยู่ตัวคนเดียวก็มีโอกาสที่จะพีนามนเวลาที่ก็เลิกงานแล้วกลับมาพีนานเงียบๆเราก็จะเห็นได้ว่าเราหลงปุงไปในโลกหลงปุงไปในธรรมเราต้องเราต้องเราต้องให้ค่าเสมอกันเลยใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงตาไม่ปล่อยวางอย่างเดียวไม่มีอะไรให้ค่าอะไรพอค่ะ คือปล่อยวางอย่างนี้ปล่อยวางสังขารทั้งหมดตลอดเวลาสิ่งใดสังขารกายสังขารจิตหรือสังขารในโลกแม้แต่สังขารธรรมก็ต้องปล่อยวางหมดออรู้เห็นแล้วรู้เห็นแล้วเข้าใจแล้วว่ามันเป็นสังขารก็วางหมดรู้รู้เห็นแล้วเข้าใจแล้วว่ามันเป็นสังขารในทุกขณะปัจจุบันก็าวางหมดไม่ใช่ว่าฉันอยู่ในความปล่อยวางตลอดเวลาไม่รู้อะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่เข้าใจอะไรเลยอย่างนี้เรียกว่าปล่อยปะละเลยไม่ได้ปล่อยวาง แตจารมาถึงมาถึงนี่ได้ก็ถือว่าเร็วมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันยังเห็นหยาบๆมากเลยยังเห็นหยาบๆอารมณ์เราก็หยาบความคิด ก, ก็หยาบมาเห็นถึงขั้นนี้ได้เร็วกว่าเร็วมากเร็วมากเพราะใช้เวลาไม่นานนะเนี่ย <Okay. S 1> ปีเดียวอืมจะว่าอืมจะว่า ถ้ามาถึงมาเห็นได้ถึงขั้นนี้ถือว่าเร็วมากเร็วมากเพราะว่ามาม า, มาจากหยาบมาจากหยาบก็มาสู่ที่ละเอียดได้เร็วเร็วมากจะได้จะได้คนอื่นน ะ, ะคนน้อยทุกคนเลยก็ได้อะเลี้ยงทุกคนเลยไม่เว้นใครเลยอ้าใกล้ใครไม้ใกล้ใครเอาก่อมเลยลูกอ้าวอะไรล่ะใกล้ใค ร, ใครเอาเลย ก็การนักมศการ์ฮะหลวงตา <c oughs> โขกัดจริงๆก็แทบแทบจะไม่ค่อยสงสัยอะไรฮะหลวงตาที่หลวงตาสอนเมื่อวานในเรื่องของการการดูความคิดแล้วก็การการรู้ว่ามันพยายามพิจารณาให้ออกว่าอันไหนคือรู้อันไหนคือกระบวนการคิดก็ก็จะต้องไปพิจารณาตรงนี้ ให้ให้ให้ให้ให้มันออกมาให้ได้ว่าไอ้มันต่างกันยังไงก็ก็จะไปเพียนตรงนี้ฮะหลวงตาแล้วที่ที่ที่ถามตอบกับจา๋านี่ที่ที่ลูกฟังอยู่นี่ก็เข้าใจไหมอพอเข้าใจฮะหลวงตาคือการที่จะปล่อยวางได้เนี่ยมันต้องมีกระบวนการขั้นตอนในการพิจารณาแล้วก็เพียนเพียนทำความเข้าใจลงลงเข้ามาในใจฮะ จนมันลงแกใจแล้วเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็มันก็จะปล่อยวางของมันโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมันก็มันก็รู้ของมันเองพอรู้ปุ๊บก็สิ้นสงสัยจบจบจริงๆนะหลวงตาพอพอไปทํางี้บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นนิสัยปุ๊บปุ๊บปุ๊แล้วมันก็เห็นเห็นละอ่อไอ้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็รู้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรรู้แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรจบตรงนั้นเลยฮะหลวงตาก็คือคือ กว่าจะอเบกขาเป็นเนี่ยก็มันวางกันยังไงวะเขาวางกันยังไงอะไรเงี้ยนะฮะก็ก็อาศัยหลวงตาชี้แนะอาศัยพระอาจารย์รัชชีแนะก็บอกเนี่ยก็น้อมเข้ามาที่ใจพิจารณาเข้ามาในใจดูมันไปรู้มันไปดูมั่งรู้มั่งคิดมั่งรู้มันเข้าไปเดี๋ยวมันก็โพองขึ้นมาเองอะไรเงี้ยก็แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะหลวงตาอืมครับผมผม อาัดูนากราบมุ ก, การหลวงตาครับ อ, อก็ผมอยากจะขอเมตตาจหลวงตาช่วยแนะเรื่อง อ, อ, อูบายในการพิจารณาเวลาเราป่วยไข้ในที่หลวงตา บอกว่าให้ตกกระไดพลอยโจรเนี่ยมีอุบายที่จะพิจารณาอย่างไรล่ะครับมตตาตอนตอนนี้เราเวลาเราป่วยไข้ที่วมุตาบอกให้ตกกระไดพลอยโจรไมเอาเลยก็เห็นว่ามันจะตายแล้วก็นี่ไงสังขารไม่เที่ยงจริงๆสังขารร่างกายใกล้าตายแตกดับแล้วพอมหมอบอกว่าจะตายแล้วเป็นมังมังคนก็ บ, บอกว่าบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย อยู่ได้ไม่เกินกี่วันก็จะตายแล้วหรือเราก็รู้สภาพตัวเองว่าเข่านี้ไม่หลอดแน่เราก็ตกกรไดไปชวนว่าสังขารไม่เที่ยงจริงๆที่พรธเจ้าตรัสว่าสังขารไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราจริงๆสังขารคือร่างกายก็จะดับแล้วสังขารจิตก็จะดับแล้วคือ ความรู้สึกตัวก็จะดับไปแล้วความคิดอาการของใจต่างๆก็ค่อยๆห่างตัวออกไปห่างตัวออกไปห่างตัวออกไปหมดแรงหมดกําลังจะดับแล้วหมดแรงหมดกำลังที่จะรู้สึกตัวหมดแรงหมดกําลังที่จะมีความคิดมีอารมณ์ต่างๆค่อยๆอ่อนลงอ่อนล้าลงอ่อนล้าลงค่อยๆหมดแรงทั้งกายและจิตความรู้สึกตัวก็ค่อยๆเบอร์เบอร์ห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปค่อยๆจะดับแล้วจะดับแล้วจะดับแล้วสังขารกายสังขารจิตไม่เที่ยงจริงๆไม่เที่ยงจริงๆ ไม่ใช่ตัวเราจริงๆไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อสังเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงก็ปล่อยให้มันดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปโดยเมื่อเราไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเราเราก็จะไม่ห่วงใยไม่กังวลเพราะมันสังขารเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดาพิจารณาความไม่เที่ยงอย่างเดียวเนี่ยนะครับใช่ใช่ครับ อ่าวคนอื่นมาอาคนน้อยถามทุกคนแหละไม่มีใครรอด อ, ะ, อะเดี๋ยวจี้ทุกคนแหละคนน้อยขอากาดหนึงตานะฮะเท่าที่โยม รู้สึกตอนนี้นะคะคือหลังที่จักยมเข้าใจสังขารแล้วแล้วเราก็ปล่อยสังขารได้ง่ายขึ้นแล้วก็ด้วยการรู้ตัวจังหวะนั้นขึ้นมานะคะแล้วก็แตะความรู้สึกตรงนั้นไปอีกนิดนึงบังคับคให้อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยไปตอนเรื่องเรื่อยๆแต่บางครั้งมันมีความจงใจ ยมรู้ตัวว่าหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยโยงกลับไปเนี่ยแม้นจะนอนตื่นพอ ร, รู้สภาพตรงนั้นเหมือนกับโยงไปจงใจที่จะรู้อาการตรงนั้นด้วยเหมือนกันอันนี้ซึ่งโยมจะต้องปล่อยวางให้รู้ด้วยใจแล้วก็อันนี้ยมรู้ยมผิดนะคะแล้วโยมก็จะค่อยๆมีให้มันเป็นธรรมชาติและรู้จักใจยิ่งขึ้นนะคะ คือของโยมตอนนี้มันพัดมาอีกด้านหนึ่งอะไรนะฮะคนโยมติ๋วมันพัดมาอีกด้านหนึ่งตอนนี้พลัดพัดตกมาอีกด้านค่ะตอนมาแรกๆด้านพัดตกอีกด้านหนึ่งคือด้านด้านฟุ้งด้านอจะแสดงออกมีอาการตอนนี้มันมันมันพลัดตกไปอีกด้านหนึ่งคือจิตมันหดอูนะมันมีลักษณะมันเวลาเราพิจารณาแล้วมันมันปลง n g ไปว่าจิตมันจะหดอู อันนี้มันไหลไปทางทางด้านหดหูมันจะนิ่งนิงนงเงียบเงียบมันรู้สึกมันมันเริ่มแบบจะมีเริ่มจะมีอารมณ์หดหูมาหน่อยๆเหมือนกับเป็นลักษณะของปล่อยวางปล่อยวางงปล่อยวางแต่พงปล่อยวางบวกบวกเจืออารมณ์ต้องสังเกตให้ออกนะเอาแต่ความจริง อย่าอย่าติดอารมณ์หดหูอย่าติดอารมณ์มันมันหดหูไปเรื่อยๆนะค่ะถ้าเดี๋ยวจะเป็นอย่างโยมเมื่อคืนที่บอกว่าเมื่อกี้มีแท็กแท็กที่ส่งไปประชาแท็กที่บอกว่าเริ่มเบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายโลกเบื่อห น, น่ายคนทั้งโลกชอบพูดชอบคุยที่เรื่องสายสาละเริ่มเริ่มกลายเป็นเบื่อหน่ายอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นอารมณ์เข้าแทรกเริ่มเห็นว่าคนทั้งหลายในโลกนี้ไรสาละแล้กวก็จะมาค่อยๆเบื่อหน่ายงาน อยากจะหนีหดตัวจากจิตมันหดตัวถอยจากงานเริ่มเบื่อหน่ายครอบครัวเริ่มเบื่อน่ายอนนี้ก็เริเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเื่อห่ายอันนี้เป็นอารมหลงอารมณ์นะอันนี้หลงอารมณ์พอดีมันจะไม่เจอลวงตานานนะหลวงตาเลยบอกบอกดักไว้ใช่ไหมคะเลยบอกดักเอาไปแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนหรอกแต่บอกดักเอาไว้ไม่งั้นถ้าลวงตาไมาอยู่มันจะมันจะมันจะลงมันจะลงยาวคือตอนแรกเราก็ตะเลึด ออกไปเดือดพูดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆบๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆันๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆีๆยงรู้ลปๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆกๆๆๆๆาๆๆกๆๆใๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆ่ๆๆาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆไๆ้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆงนั้น สังารปรุงแต่งพี่นาเห็นว่าเป็นสังขารใจมันก็ปล่อยวางเองไปล่อยวาเอีกแต่อันนี้คือมันจะพี่อีกด้านคือมันจะเอาตัวเราไปพิจารณากลายเป็นตัวเราเนี่ยเป็นสังขารแล้วเอาสังขารน่ยไปพี้นานแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีอารมณ์เบื่อคือกลายเป็นอารมณ์เบื่อมาติดที่สังขารเพราะเอาตัวเราเนี่ยที่เป็นตัวสังขารตัวขาน้า 5, ไปพิี้นาไปพี้ณาปุ๊บมันก็ดอะเกิด อ, อ, อ, อารมณ์เบื่ออารมณ์เบื่อแล้วมาติดที่ขนัน้าเพราะตัวเรายึดเอาขัน้าเป็นตัวเรา เราไม่ได้หลุดพ้นจากสังขารคือเราเนี่ยเอาตัวพิจารณาแต่เราไม่ได้พิจารณาตัวเราที่เป็นสังขารว่าเป็นสัารเห็นจิตที่มันปุง่งพุ่งุ่งุ่งุ่งุ่งุ่สังขารหมดเลยไปยวางหมดไปวางเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะบางทีบอกไปล่วงหน้าถ้ามันไม่เกิดขึ้นกระจายจริงๆมิงาทีมันก็มันเหมือนอยังยังไม่ค่อยชัดเจนคุมเครืออยู่แต่เดี๋ยวเด๋ยว พอไม่ลงตาไม่อยู่แล้วมันก็จะไม่ก้อยก็ก็เห็นแต่ก็ได้เป็นเครื่องเตือนสติว่าลุงตาคอย เ, อเอ vê, ตือนไว้ละเพราะวันองกลับสุพรรณใช่ไหมับนอ <c oughs> ้องกาลุงตาขอาสยมจิมก็เคยเป็นแบบนี้ค่ะ<อ>ใน ช, ช่วงใช่ใช่มันจะเป็นคล้ายๆเขาติวพวกนันยมหนุ่มก็จะเป็นถ้าถ้าไม่ไม่ไม่โดนบล็อกไม่โดนเบรกไว้ไม่ไม่ไม่บอกไม่ ไม่ดูไม่อะไรก็จะเป็นเป็ น, ปนแบบโยมติวเนี่ยคือเวลาพุงพ่งพุงพ่งพุงพ่งพุ่งพุ่เหมือนน้าเดือดแล้วก็ไอ้น้ำเดือดเนี่ยมันก็จะร้อนแล้วก็ไหลออกไปเอ่ออาบใส่คนอื่นแต่พอ ด, ดคือจี้จี้จ้จ้เข้าก็จะขดตัวปดตัวแล้วก็จะเป็นแบบเดียวกันคือโยมนมโยมติ๋วโยมไอ้เนี่ย ข, <า S 1> ของเรานะจิ้มเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะเดียวกันคือมันจะนั่นมันจะคล้ายๆโยมหมูนี่ก็เป็น ยมูอุ้นนี่ก็เป็นยมูอุ้ก็เป็นอก็ให้มามีสติใช่ไหมคะตั้งที่ใจรู้คนเก่งอ่ะส่วนใหญ่เป็นที่คนเก่งคนเก่งคนเก่งไม่เคยยอมใครคนเก่งมันจะเป็นที่คนเก่งพอโดนโดนนี่โดนว่าโดนอะไรมากเข้าโดนจี้ใส่มาเข้ามันจะกลับอีกด้านมันจะตกไปอีกด้านไม่ตกเลว ยังริงก็พอรู้ตัวแล้วค่ะใช่ฮะเป็นกลางเป็นกลางเป็นกลางสาธุมันคล้ายๆกันคล้ายๆกันมันอยู่ในโซนแบบเดียวกันสัดเดียวกันสี่สี่คนรูแบบ้สึกเออแพ็กทีมแพบบ็กแบบทีมเนี่ยเรียงไว้เงี้ยเลยเรี้ยงเลยงเลี้ยงแถวนี้เลยเย เ, ยล เ, ลย เ, เป็นเป็นแพ็คทีมคือคนเก่ง แต่มันก็จะกลับมาได้นะคะหลวงตามันก็จะกลับมาได้เนี่ยกลับมาอย่างที่โยมหลวงก็บอกว่าตอนนี้อุเบกขาเป็นกลางแล้วค่ะมันจะเห็นแล้วมันก็ไม่ตกไม่ตกซ้ายตกขวาอ่ะมันเห็นแล้วมันก็จะกลับมามาแบบรักษาใจตัวเองไว้นะคะแล้วรักษาใจตัวเองก็เริ่มันก็เห็นว่าไอา้ที่รักษาเนี่ยมันก็ยังเป็นการปรงแต่งแล้วก็ปล่อยวางการรักษาทีก็จะ้นทุกข์ได้ค่ะแล้วก็อะไรที่มันที่หลวงตาบอกเมื่อครา้ที่แล้วว่าถ้าอะไรมันแว๊ดเข้ามาเรื่อยๆแสดงว่าเรายังยึดอยู่ อยู่งก็มองว่ามันเป็นสังขารแล้วก็ปล่อยวางไปใช่ๆค่ะนะคะถูกแล้วแล้วก็พยายามรู้แล้วปล่อยวางจรื่อยก็ไม่ถึงกับพยายามก็เปี่ยนรู้ดูค่ะคิดก็เห็นถูกต้องไหมคะจ้<ช>หะหลวงตามีอะไรเสริมให้ด้วยไหมคะ อก็ไอ้ที่เข้าใจก็ถูกต้องแล้วแหละเราก็เพียรเดินทางไปอย่างนี้แต่เวลาขาดขาดสติเวลาเราอยู่กับลูกเนี่ยเราจะขาดสติจริงๆค่ะมีค่ะคืออันนั้นนะ่ยทำไม่เหลือเลยเอ้โหสาธุทาที่รู้มาที่เห็นมาเข้าใจน่ะไม่เหลือเลยทิ้งไปหมดเลยคือตอนอยู่กับลูกเนี่ยทิ้งทําหมดเลยมีแต่หัวความห่วงใหญ่แล้ะก็อารมณ์ทิ้งทําหมดเลยไอท้ทาที่เรียนมาที่รู้ที่เห็นเข้าใจมาเนี่ยถูกคว้างทิ้งหมดเลยอ๋อ ก็ต้องกลับมามีสติมีสติอ่ะอยู่กับใครก็ต้องมีสติอ่ะอย่าลงไปกับความปรุงแต่งอย่าลงไปกับความปรุงแต่งค่ะเข้าใจเนี่ยเข้าใจหมดแล้วตอนนี้ก็เข้าใจเห็นแล้วว่าเข้าใจถูกต้องแหละแต่ตอนกลับไปอยู่กับลูกมันมันตกเขาหมดเลยแล้วก็มันแป๊บหนึ่งแล้วมึงที่จะมันไปซะก่อนแล้วมันจะกลับตามรู้มากกว่าค่ะรู้ตามรู้ตามเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวยมโหนก็จะกลับไปอยู่กับลูกเหมือนกันก็แบบกลับไปอยู่กับลูกก็หลายก็แบบ พออยู่กับลูกหลานเนี่ยทําก็ล่วงไปหมดเลยทําล่วงหลนไปหมดเลยคือล่วงเริ่มล่วงหล่นมาตั้งแต่กลางทางกพื่อจะไปถึงลูกก็หมดแล้วไปถึงลูกก็เป็นเป็นโรคจริงๆเลยเป็นลูกเป็นหลานเป็นโรคเหมือนกันต้อง อ, อยู่กับใครก็ต้องอทํากับไว้อย่าปล่อยทิ้งไปกลางทางผมรูกก้ความผิดความเข้าใจต้องกัดติดไว้ในใจโยนิสโสมนสิการไว้ในใจโดยอย่างต่อเนื่องโดยแยบขายไม่ขาดสาย ไม่งั้นมันพอไปถึงความเคยชินเก่ามันจะเอาไปกินหมดไปอยู่กับลูกกับหลานปั๊บมันก็ทิ้งคำหมดเลย